ท่านผู้เป็นอาคันตุกะทั้งหลายบรรดาที่ประชุมกันอยู่ในที่นี้วันนี้เป็นโอกาสกำหนดไว้สำหรับจะมีการพูดจากันแล้วก็บังเอิญมารอมกันหลายระดับ เป็นชนชั้นทางจิตใจทางวิญญาณก็จะต้องพูดชนิดที่มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องด้วยทุกระดับจึงจะได้ถ้าพูดถึงระดับตามระดับเด็กเล็ก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 มันจะได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้เรามานั่งกันกลางดิน <c oughs> ข้อแรกที่สุดก็อยากจะพูดเรื่องกลางดิน <c oughs> เพราะเชื่อว่าหลายคนทีเดียวยังไม่รู้ความหมายของคาว่ากลางดินแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกชนิดที่ไม่ชอบนั่งกลางดินชอบนั่งบนในที่ที่จัดตกแต่งไว่ายอย่างที่เคยนั่งมาจนเคยชินเป็นนิสัย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 มาที่สวนโมกได้มีโอกาสนั่งกลางดินถ้าไปที่อื่นอาจจะไม่ได้นั่งหรือโดยโด ย, โดยตัวตัวไปไม่ได้นั่งหรอกให้นั่งกลางดินเดี๋ยวนี้เรามีที่นั่งกลางดินว่ายสำหรับให้นั่งด้วยเจตนาเนี่ยเจตนาใจมีที่นั่งกลางดินให้ท่านทั้งหลายนั่งกลางดิน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 เขาก็พูดว่าพุทธศาสนามันเกิดกลางดินเกิดจากดินพระพุทธเจ้าประสูตรกลางดินอพระพุทธเจ้าก็ะตัสรู้กลางดินนั่งกลางดินเพื่อตัดสรู้ไม่ได้ตัดสรู้ในมหาวิทยาลัยถ้าตัดสรู้ในมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่กําลังเป็นอยู่ดุนิท่านนั่งกลางดินตัดสรู้ กลางดินแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวสั่งสอนก็นั่งกลางดินที่อยู่อาศัยของท่านก็พื้นดินเรื่อในที่สุดท่านก็นิพพานคือตายกลางดินนั่นน่ะนึกถึงข้อนี้ก่อนสิว่าเกิดกลางดินศัตรูกลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินนำทัศน์ใจไปดอกที่เป็นคำสอนทั้งหมดมันก็เกิดมาจากดิน เืิดมาจากการ น, นั่งกลางดินและสัตว์รู้แล้วก็นใดสอนสืบสืบต่อกันมาแต่เป็นที่เชื่อได้ไว่าทำนั่งทำสังขยาร้อยหลายร้อยองค์นั่งก็นั่งกลางดินท้งไปดูที่ที่อินเดียแล้วเห็นหลายจักรวรรนั่งทากลางดินตรงหน้าถ้ำ <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องของกลางดินทีนี่มองอีกแง่หนึ่ง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 ควรจะสนใจเรื่องกลางดินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มานั่งกลางดินหาขอทําในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูตกลางดินศัตรููกลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินถ้าทําได้มันก็เป็นพุทธานุสติซึ่งเป็นกรรมฐาน ชนิดหนึ่งอย่างยิ่งเลยพุทธานุสติีระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยทุกแง่ทุกมุม <c oughs> ย้อวนี่มากกว่ารละลึกถึงรรก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเอาได้ว่าเมื่ออยู่กลางดินเหมือนนั่งกลางดินนั่นจิตใจรู้สึกอย่างไร <c oughs> เมื่อฟุ้งอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมจิตใจมันเป็นอย่างไร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 เราก็จะสามารถนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นี่เป็นเรื่องของคนนั่งกลางดินไม่ใช่เรื่องของคนที่จะรู้ราสนุกสนานอยู่บนที่ที่สำหรับสนุกสนานไม่ใช่เรื่องคนโม่ตามแบบของคนหนุ่ม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 กับคนที่นั่งอยู่บนหญ้าบนเรือนบนในที่ประดับประดาตกแต่งบนอาคารไม่บนอาคารเรียนราคาล้านล้านนั่งอยู่บนนั่นจิตใจเป็นอย่างไรมันก็มันนั่งอยู่กลางดินอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบกันดูโดยหลักทั่วตัวไปที่มีอยู่ว่าจิตใจไหนจะเย็นกว่า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 ก็เ <c oughs> ปน็นกานกล่าวได้ว่ามันยังขาดความรู้ที่ควรจะรู้อยู่เพียงนั้นนทั่วโลกการศึกษาทั่วทั้งโลกมันไม่ขจัดความเลวร้ายในโลกออกไปได้เพราะว่าการศึกษานะั้นมันขาดความรู้ที่ถูกต้องและจําเป็นสําหรับจะขจัดความเลวร้ายเหล่านั้นมัน <c oughs> จะนึกได้อย่างนี้ก็จะวิ่งมากลางดินวิ่งลงมนนั่งกลางดิน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 <c oughs> ตอนรับในทางวัตถุกในทางอามิี่ยต่าสุดเลยไม่มีอะไรต่ากว่านี้ <c oughs> เรามีหลักว่าอยู่ต่าๆนี่แหละมันจะไปสูงถ้าอยู่สูงแล้วมันก็มีแต่จะตกลงมาต่ามันเป็นอยู่อย่างต่าเนี่ยมันจะได้มีการกระทำหรือการเป็นไปอย่างสูงสูงสูงขึ้นไป ให้จงตั้งต้นการศึกษาด้วยการ น, นั่งกลางดินเพื่อว่าจะได้รู้จักพื้นฐานหรือรากฐานต่ำสุดของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะได้รู้ไปต่อไปตามลำดับตามลำดับอย่าหาว่าท้าทาย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 ในการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้โดยจะเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่ามันยังขาดความรู้ชนิดกลางดิน <c oughs> จึงต้องมาที่นี่แล้วก็มันนั่งกลางดินเป็นเกลือกับธรรมชาติเป็นเกลือกับต้นไม้ต้นลายก้อนหินดินทรายเหล่านี้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 ไอ้คนมันก็ตาบอดมันก็ไม่เห็นในความไม่เที่ยงหรืออนิจจังของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนรืมันส่งเสียงร้องตะโกนเป็นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอย่าลหลงไหลกันนักอย่าบ้ากันนักอย่างนี้เป็นต้นมันคนมันก็ไม่ได้ยินมันก็ยั ง, ลงหลงไหลกันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็มากไปไดนความลหลงไหลในโลกในสังคมนี่มันก็มากไปไดนความลหลงไหล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 กินอยู่เป็นอยู่กันอย่างนั่นอย่างนี้ไม่เคยได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในระบบการศึกษาของคนในโลกทั้นสูงสุดก็ทั่งชั้นสูงสุดที่ว่อุตสาหไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเรียนจบแล้วไม่เคยได้ยินคำว่าอนัตตาอนิจจังเป็นต้น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 อยู่ในคันตอนแรกๆนะ ไ, มไม่ไม่มีทางที่จะรู้สึกทังอะไรได้เลยจนกว่าจะโตของมาจะคลอดจากท้องแม่อวัยวะต่างๆก็เริ่มทำ ง, งานได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับคิดนึกให้เป็นกิเลสได้เด็กคลอดมาจากท้องแม่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 ลิ้นรู้จักรสอร่อยหรือไม่อร่อยผิวหนังรู้จักความนิ่มนวลหรือความแข็งกระดั่นจิตก็มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาเด็กต้องมีอายุหลายวันหรือหลายสั ป, ปดาห์หรือหลายเดือนก็สุดแท้จึงจะค่อยๆมีความรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆ มีความคิดนึกที่เป็นกิเลสและเป็นทุกข์มันคือมันรู้จักพอใจและไม่พอใจขึ้นมาแรกคลอดมาใหม่ๆไม่รู้จักพอใจหรือไม่พอใจยินดียินร้ายอะไรไม่ไมรู้แต่แล้วก็ค่อยๆรู้เขค่อยๆรู้ขึ้นมาเพอรู้ยังรู้เรื่องอร่อยไม่อร่อยกินนมแม่หรือกินอะไรตามมันก็ค่อยๆรู้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 โง่คือไปหลงรักไอ้ที่มันน่ารักไปหลงเกลียดไอ้ที่มันน่าเกลียดพอใจไม่พอใจโกรธบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างหากความรู้สึกเหล่านี้ก็มีขึ้นมีขึ้นนี่ก็ยิ่งโตมันยิ่ ง, งโง่จนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยิ่ ง, งโง่คือมันยิ่งหลงรักและหลงเกลียดมากกว่าแต่ก่อน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 นี่เพราะว่ามันไม่มีความรู้มาแต่ในท้องแล้วพอเกิดมาก็ใครสอนไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เดาไม่เรียกว่าเดาแต่มันเหมือนกับเดามันรู้สึกขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพราะอร่อยก็ชอบใจไม่อร่อยก็ไม่ชอบใจนี่มันก็รู้จักแยกแยะเป็นอร่อยหรือเป็นไม่อร่อยนี่มันรู้จักแยกแยะหมดทางตามนก็รู้จักแยกแยะเป็นสวยหรือไม่สวย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 เราเคยพบแต่จิตทินฐ์ที่อย่างที่ว่ารักโกรธเกียดรัวร่าร้อนแล้วก็สกรปรกมืดมัวเป็นเป็นกิเลสไปแล้วก็ไม่เป็นอิสระคือเป็นาธาตุของสิ่งที่มากระทบ <c oughs> บางคนจะฟังไม่ถูกว่าเป็นาธาตุของสิ่งที่มากระทบเนะถ้ามันมากระทบสรับห้รักก็เป็นาธาตุอย่างเป็นของรัก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 <c oughs> ที่พูดเรื่องเสรีภาพทางการเมืองเรื่งคนและเรื่องเสรีภาพสมมติว่าเสรีภาพทางเอกกราชทางการเมืองทางนั้นมันมันเสรีภาพทางฝ่ายด้านนอกแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเอาเองส่วนที่เป็นาธาตุอย่างยิ่งอยู่ในภายในเป็นาธาตุของกิเลสนั่นนะกลับไม่รู้จักเที่ยวกันยังไง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 มันจะมีทรัพย์สมบัติพัสนาเหมันจะแข่งกับพวกเทวดาได้มันก็ยังมีจิตอย่างนี้ไปดูคนธรรมดาเถอะมันก็จะมีจิตรักโกรธเกลียดตัววิตกวกังวลอะไร อ, อาวรณ์ชาติยาอย่างนี้มันก็มีจิตใจชนิดที่เล่าร่อนมืดมนเป็นาธาตุของอารมณ์เป็นาธาตุของอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ แล้วมันก็ได้ทะเลวิวาทข่าฟันกันเพราะเหตุอย่างนี้อันถานทั้งหลายที่มันทําอันธถานเลวร้ายเพราะมันลงมในสิ่งเหล่านี้คืออันถานครอบโลกรบกันระหว่างโลกระหว่างชาติและระหว่างโลกมันก็เพราะว่ามันหล้มในการที่มันจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นของตนไปหมดทั้งโลกนั่นแหละความโง่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 ให้เป็นชีวิตที่เป็นอิสระและเบาสบายเรื่องนี้มันรู้จักแต่เรื่องทางข้างนอกเรื่องเสรีภาพอย่างโลกโลกแต่ความเป็นทาตอย่างเลวร้ายข้างในมันไม่สนใจเลยจะเสียเสรีภาพอะไรสักนิดหนึ่งข้างนอกแล้วมันก็พูดกันใหญ่โตเป็นว่าเป็นเวเห็นอมัน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 แล้วพวกคนหนุ่มๆเดียวนี้ก็อชอบอ้างเป็นเรื่องจะพิทักษสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ไม่ดูตัวเองมันไม่มีความเสรีภาพอะไรแม้แต่นิดเดียวอยู่ข้างในถ้าต้องการจะได้เสรีภาพหรือชีวิตที่สงบเย็นเป็นอิสระหรือเป็นชีวิตที่ เบาสบายแล้วับนั่นแหละจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะหนุนวิ่งไปหาความรู้ของพระพุทธเจ้าผู้เกิดกลางดินตัสรู้กลางดินซ้อนกลางดินเป็นอยู่กลางดินตายกลางดิน <c oughs> ที่เคยถูกคนจํานวนหนึ่งหาว่าร่ายสาร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 จนเบาอยู่ได้อย่างเป็นสุขสบายและมีประโยชน์ที่สุดนั่นก็เรียกว่ามนุษย์ที่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดนั่นคือเป็นพระอรหันต์ตรงกันข้ามกับบุตรชนที่เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตที่หนักเป็นชีวิตที่แบกภาระหนัก โยก็ชวนกันหลงอยู่ในภาวะอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของอจมอยู่ในคกองทุกข์จมอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นเองคืออย่างนั้นนะพวกคุณอย่าไปดูถูกคําว่าวัฏฏะสงสารหรือคำว่ากิเลสหรือความทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร <c oughs> ถ้าคุณไปรู้เรื่อง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 อย่างที่ตามมาแล้วละมันไม่มืดด้วยความโง่มันไม่ร้อนด้วยความทุกข์มันไม่สกรปรกด้วยกิเลสแล้วก็มันไม่เป็นธาตุของสิ่งใดๆดด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นอย่างไรจิต ใ, ใจชนิตนี้จะเป็นอย่างไรร อ, อยลองคิดดูถ้าว่าทุกคนเป็นได้อย่างนี้โลกนี้จะเป็นอย่างไร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 ถ้าจะสอนถ้าจะเรียนกันก็ควรจะเรียนเรื่องนี้ถ้าจะสอนกันก็ควรจะสอนเรื่องนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสาสอย่างนี้ถ้าเราจะเรียนอะไรกันบ้างก็เรียนเรื่องนี้เรื่องออกมาจากกองทุกข์นี่ถ้าจะสอนอะไรกันบ้างก็จะต้องสอนเรื่องออกมาจากกองทุกข์เดี๋ยวนี้เราเรียนเพื่อเจอสอนเพื่อเจอพูดเพื่อเจอโฆษณาเพื่อเจอประกาศอ อะไรต่างๆมันเพ้อเจ้อมันไม่เข้ามาในวงของการที่จะกำจัดในความทุกข์เหล่านี้นี่โลกนี่มันก็ ย, ยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาที่ิตการคือความทุกข์จนดูดูเป็นของธรรมดากันไปทัหมดนะจนไม่มีใครละอายใครร่วมเป็นอย่างเดียวกันไปทั้งหมดหรือเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเป็นาธาติเหมือนกันไปหมด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 คำว่าวิมุตตหลุดพ้นน่ะไม่ใช่คำพูดของคนโง่โง่ที่เด็กสมัยนี้จะเอาไปล้อเล่นมันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ที่มีสติปัญญาที่สุดที่จะทาชีวิตจิตใจนี้มันหลุดพ้นจากการบีบบังคับครอบงาย่ำยีเผาล้นหน่อยของกิเลสหรือของสิ่งซึ่งเป็นความทุกข์ เยวก็จะหาว่าดีเกินไปเส้อเองเส อ, อีกถ้าไม่มีความทุกข์เพราะหลายๆลายคนมันยังชอบความทุกข์ยังชอบสนุก้วยการร้องไห้มันเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งเป็นความบ้าทาง จ, จิตใจทางกามารมณ์ชนิดนั่นแล้วก็มีมันยังชอบความทุกข์อยากจะอยูด่ด้วยความทุกข์ไม่อยากจะหมดจดจากความทุกข์อย่างนี้มันก็ยังมีเพราะมันไม่รู้ความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร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 ความโง่เป็นข้อแรกเป็นลำดับมาโง่เป็นลำดับม า, าเป็นลำดับม า, นบมาจนเกิดความยึดมัน่นถือมัน่นหมายมันเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันในเรื่องของเด็กหาโรคที่เล่ามาแล้วตะ ก, กี้นะี <c> ่ <oughs> เกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความทุกข์คิดให้เป็นความทุกข์ไม่เป็นจนกว่าเด็กคนนั้นจะได้ไปเที่ยวสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไร รู้จักของอร่อยไม่อร่อยของพอใจไม่น่าพอใจล้วจนหลงไหลในสิ่งเหล่านั้น่นมันจึงจะเป็นทุกข์ต้องอาศัยความโง่หรืออาวิชามากถึงขนาดนั้นมันจึงจะเป็นความทุกข์จะพูดโดยหลักทังนี้ถึงก็ได้จะฟังหรือไม่ฟังก็สุดท้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใดู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 มาถึงเข้ากันมาถึงกันเข้าเป็นคูู่้กเกิดวิญญาณวิญญาณทางตาทางวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อสามพวกนี้ถึงกันอยู่ทำงานอยู่ก็เรียกว่ากัตสะคือตารูปและวิญญาณทางตาถึงกันอยู่สามอย่างนี่เรียกว่าสัมผัสทางตา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 ที่จะทำให้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยนี่ก็เวทน า, าเวทนาอย่างนี้ก็คือเวทนาโง่ทําไมเรียกว่าโง่เพไปเที่ยวพอใจในสิ่งที่เรากให้พอใจไเที่ยวไม่พอใจในสิ่งที่เรากให้ไม่พอใจเหนื่อเฉยเฉยในสิ่งที่ยังไม่รู้จะเอาอะไรนี่ก็จะกวเวทนาด้วยเหมือนกันนี่เป็เวทนาโงา่เวทนาที่ไม่มีสติปัญญา ทีนี่เวทนานี้มันทําให้เกิดความอยากโง่ความอยากด้วยความโง่ความอยากด้วยอํานาจความโง่ที่เรียกว่าตัณหาถ้าถ้าถ้าถ้าเป็นที่พอใจมันก็อยากเอาอยากมีอยากได้อยากเป็นถ้าไม่เป็นที่พอใ จ, ม, อใจมันก็อยากจะฆ่าเสียอยากจะทําลายเสียเียความอยากที่โง่เรียกว่าตัณหามันก็อยากในสิ่งที่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 ในความทุกข์เกิดมีขึ้นมาเพราะมีความยึดถือว่าตัวตนถ้าจะไม่มีความทุกข์เลยต้องไม่มีความยึดถืออย่างนี้ทําอย่างไรจึงจะไม่มีนะั่นคือคํำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณรู้เท่าทันผัตสะย้ายผัตสะมันโง่ให้มีสติสัมปชัญญะมีวิชามาในกณะที่ผัตสะ อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องศึกษาวิปัสสนากรรมฐานฝึกให้มีสติให้มีวิชาให้มากมากให้มันมาทันเวลาที่มีผัสสะผัสสะฉลาดแล้วก็เวทนามันก็ฉลาดมันก็ไม่เกิดความอยากที่โง่เลลาคือตัณหามันไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่ไม่มีความทุกข์มันเดินกันคนละทาง ทางหนึ่งมันเดินไปด้ยวยความโง่มันก็ต้องเป็นทุกข์ทางหนึ่งมันเดินไปด้วปัญญาด้วยความฉลาดมันก็ไม่เป็นทุกข์มันมีเท่านี้มีจะทำได้หรือไม่ได้นั่นเปน็นอีกเรื่องหนึ่งคนโดยมากไม่ต้องการเพราะอยากอยู่กับความทุกข์อยากแลกเอาเด้ยวยความทุกข์แลกเอาเด้ยวยแลกความอร่อยเอาเด้ยวยความทนทุกข์อย่างที่เป็นเป็นกันอยู่ไม่ต้องพูด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 คำว่ า, าทางสายกลางนี่ก็เหมือนกันแหละไม่ใช่เป็นเรื่อง เ, อเป็นคำสรรไปหัวเราะย่อไปล้อกันเล่นเป็นเรื่องของวัดวาอารามชันไม่ต้องการไอ <c oughs> ้ทางสายกลางนี่มั น, ม, นมันเพราะมันรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไร <c oughs> มันก็ไม่หลงรักเลยหลงเกลียดนั่นมันอยู่ตรงกลางนี่ ทางซายกลางอย่างนี้พวกคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคำอธิบายอย่างนี้ก็ได้คุณงจะเคยได้ยินแต่เพียงว่าอัตตาคีอากามัศุขันธิกานุโยกอัตาอตาคีลมถานุโยกอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่จับใจความให้ถูกเนะื้อกามัศุขันลิกานุโยกนะเพราะมันไปหลงรักในสีมันน่ารักถ้าไม่เกิดอะไรทลงไหลอัตตาคีลมถานุโยกนะทระมานตนให้ลําบากเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายสุด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 อย่าให้เปียกไปอย่าให้ไหม้เกรียมนั่นนะอยู่ตรงกลางพูดอย่างนี้ฟังยากเอาเอ า, เอาธรรมดาธรรมดาง่ายง่ายอย่างนี้ดีกว่าให้อยู่ตรงกลางระหวางกลางพูดอย่างวิทยาศาสตร์สักหน่อยก็คือไม่โพสิทรีบไม่เนกตติฟบแต่อยู่ตรงกลางไม่เป็นความรักหรือไม่เป็นความชัง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 ไม่เกาะกลุ่มกอดรัดสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวตนของตนนั่นคำว่าว่างนั่นแหละเป็นคำกลางที่สุดนอกจากคำว่าว่างแล้วมันก็มีคำเป็นสองความหมายไม่เป็น positive ก็เป็น n e g a t i v ถ้ามันไม่มีทั้งสองฝ่ายนี่มันจึงว่างนัความดับทุกข์มันจึงอยู่ที่เข้าถึงความว่าง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 จนกว่าจะไม่เอาทั้งชั่วทั้งดีจึงจะอยู่ตรงกลางจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยถ้ายังไปเกี่ยวข้องกับชั่วและดีอยู่ยังจะต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบของมันทื้ที่ว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยนะไม่มีความทุกข์เลยต้องอยู่เหนือความหมายที่เป็นคู่คู่คู่คู่เรานี่หมดคือไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ขาดทุนไม่กาไรไม่ ดีไม่เชื่อไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์กระทั่งว่าไม่ไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเลยทุกคู่ทุกขู้เลื <c oughs> ่อ็จิตมันไม่มีความทุกข์เลยเป็นอิสระเป็นพระอาหารหันมันมากเกินไปลดลงมาเป็นชาวบ้าน <c oughs> แค่จะคอยมีความทุกข์น้อย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 จริงสามารถจะรักผู้อื่นได้ีรักบิดามันดารรักรักได้รักไปได้ทั้งหมดนลยเมื่อเมื่อเมื่อมันรักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติอย่างใหญ่ห in ลวงอย่างนี้มันก็ทําประโยชน์ผู้อื่นนะไม่ต้องสงสัยมันจะเคลื่อนไหวในทางที่เป็นประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นถ้ามันมันมีความเห็นไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่ไอ้คนเห็นแก่ตัวมันยังคิดว่านอนจะดีกว่าจะไปทําประโยชน์คนอื่นให้เหนื่อยทํำไมมันคิดว่านอนจะดีกว่า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 อวัยวะนั้นต้องทำอย่างนั้นอวัยวะนี้ต้องทำอย่างนี้อวัยวะนี้ต้องขยายอย่างนี้ต้องหดอย่างนี้มันกฎของธรรมชาติ น, <eden> นั่นคมีการทำหน้าที่ของอวัยวะทุกอวัยวะกระังของคนทั้งคนทั้งหมดทั้งคนนีหน้าที่จะทำกฎของธรรมชาติแล้วก็มีผลเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่เรียว่าีความหมายนั้นมันมีอยู่ในตัวคนทุกค น, น, น <ain>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 พูดว่าแม่แต่สัญชาตญาณบางอย่างที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องการจะช่วยผู้อื่นแต่ถ้าสัญชาตญาณนั้นมันถูกครอบงําปด้วยกิเลส ด, ด้ไแล้วมันก็ไม่ไม่ทาก็มีเมอเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีการช่วยซึ่งกันและกัน สัตว์เดรัจฉานมีความยึดมั่นถือมันน้อยเพราะมันโง่มันยึดถือไม่เป็นดังนั้นมันจึงมีความเห็นแก่ตัวน้อยน่ะสัตว์เดรัจฉานมันจึงช่วยผู้อื่นถ้าไกาตัวหนึ่งเห็บจิกเห็บเกาะอยู่ที่งอนมันไปก้หมห้อยก่ตัวหนึ่งจิตคุณไม่เคยเลี้ยงกาคุณไม่เคยเห็นแต่ที่นี่เราเห็นทุกวันท่านก่ทุกตัวไม่มีเห็บที่งอนมันจิกเองไม่ได้หรอกแต่มันมี กายตัวอื่นจะคอยจิกให้แม้แต่ท่านไดราชานที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยมันก็ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในขนาดนี้หละนัานเรากำจัดศัดตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพอย่าไปสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนจะเชนอะไรกันให้มากนะ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 ตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่โลกภสษีอาญาเมตไตราตามแบบของพวกหัวซ้ายหรือฝ่ายซ้ายนะฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็มีโรคโลกภสีอ า, ารญาเมตไพรเหมือนกันที่เขาพูดกันเต็มคนลายนางเลยโลกภสีอ า, ารเมตไตร์ของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวนั่นมันก็มีอย่างเดี๋ยวนี้จะเป็นโลกภสีอ า, ารเมตไตร์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 คำดูหมินผู้อื่นมากนะจะพูดแต่เพียงว่าคนในโลกแม่องค์การที่มีสติปัญญามีกำลังมีอำนาจก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้คือที่ทำลายความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ให้หมดไปจากโลกแล้วพูดมาพอุงควรแล้วตามโอกาส ทีที่มี m m y ขอแสดงความยินดีที่ได้มานั่งกลางดินพูดกันแล้วขอขอบคุณทุกคนที่สนใจฟัง